Thank <whistles> you.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 ชมพูธวิบในเวลานั้นเทวสมัย์นี้คือเป็นหาวัตนะหมหาลายฮาวัตใครๆก็ไปกันอพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไปจบที่ตักกศิลาเหมือนกันนะพวกพระราชามหากษัตริย์ในสมัยนั้นเนี่ยที่มีความสามารถนะวิชาวความรู้ก็จบตักกศิลากันทั้งนั้นนะครที่หมอชีวกนี่ก็สนใจเรื่องเรื่องยานะก็เรียนอย่างขยันหมั่นเพียนแล้วก็เป็นคนฉลาด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 อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นสําเร็จการศึกษาแล้วนะกลับมาได้เลยแล้วต่หลังหมอชีวก็มาเป็นหมอประจําตัวพระเจ้าพิพิสานแล้วก็ต่อหลังพระเจ้าพิพิษารก็ให้เป็นหมอประจําตัวพระเจเจ้าเรียกวหมอเทวดาเลยนะนที่หมอชีวกเนี่ยได้ไปเดินรอบเมืองนะเจอต้นไม้ทุกชนิดเจอสารพัดนะ แต่ว่าก็เพราะว่าเป็นยาได้ทั้งนั้นเนี่ย น, นี้น่าสนใจนะมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยชื่ออิมัสันนะก็เป็นปราชญ์นะเมื่อสักสองรยปีที่แล้วก็บอกว่าวอชพืชเนี่ยก็คือต้นไม้ที่มีประโยชน์แต่ยังไม่มีคนรู้จักนะเวลาเราเห็นว่าชะพืชเนี่ยเราก็มองมันม่มีประโยชน์เราก็คิดแต่จะกำจัดมันนะสมัยนี้ก็ต้องใช้ยานะค่ายาใช้ยากาจัดกอชะพืชเพราเห็นว่า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 หรือแม้ก็ต้องใช้ความเพียรนะก็มีนะับพระที่ท่องพระไตรปิฎกได้45เล่มแต่ว่าใช้เวลาหลายปีแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยนะแค่อ่านปุ๊บเดียวจาได้เลยนะเหมือนกับว่าถ่ายภาพนะอยู่ในสมองบางคนเนี่ยนะฟังเสียงเพลงนะเสียงบรรเลงเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะจะเป็นบรรเลงด้วยดนตรีด้วยเครื่องดนตรีชในิดใดก็ตาม เป็นเพงยากๆเนี่ยนะฟังครั้งเดียวนี้เขาเล่นได้เลยนะขนาดนักด น, นตรีระดับออยอดเนี่ยยังต้องดูยังต้องดูโนต้ตนะแต่นี่เขาเขาเล่นได้เลยนะหน้าที่ดูเหมือนบ้านะมีบางคนไอคิวต่ำมากนะแต่ว่าท่องจุดทศนิยมเนี่ยจุดทศนิยมเนี่ยเช่นของพายอะพายนี่มันคือยี่บสองส่วนเจ็ดใช่ไหมยี่สิบสองส่วนเจ็ดเราก็ลองหาดูก็ได้สามจุดสามสามอะไเนี่ยนะ จุดที่สัญลักษณ์ตัวสัญลักษณเนี่ยไม่มีจํากัดนะอินฟินิตี้นะเขาท่องได้นี่เป็นเป็นสิบสิบหน้าเลยนะไอตัวเลขจุดตัวสัญลที่เรียงกันเป็นหน้าหน้าเนี่ยคนธรรมดาทําไม่ได้นะอันนี้แสดง ว, ว่าไรแสดงว่าคนที่เราคิดว่าโง่เนี่ยนะเขาไม่ได้โง่ไปทุกเรื่องนะเขามีความสามารถพิเศษนะที่คนธรรมดาอาจจะสู้ไม่ได้เลยซ้ํานะ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 ว่าจ็ดหลุดพ้นเลยนะเป็นพระรหันเลยนะคนโง่โง่เนี่ยยังสามารถจะเป็นพระรหันได้เพราะจริงๆแล้วไม่ได้โง่ทุกเรื่องนะนะเพียงแต่ว่าท่องไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่ายังอื่นเนี่ยยังมีความสามารถพระพุทธเจ้าก็รู้นะว่าจระพนตกะเนี่ยท่านมีความสามารถนะก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระรหรันะแล้วก็มีคุณนวิเศษหลายอย่างนะฉันไม่มีใครที่โง่ร้อยเปอร์เ็นตนะเขามีความฉลาดในบางเรื่องเพียงแต่ว่าเรา มองไม่เห็นก็เลยคิดว่าเงาโง่คนเลวก็เหมือนกันนะคนเลวเนี่ยก็ไม่ได้เลวสุดๆร้อเอร์เซ็นนะก็ยังมีความดีแล้วคนเลวก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะก็อย่างพระองคุลิมาเนี่ยองคุลิมาที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะศับสมัยนี้เรีเ่าฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนมาเก้าสิบเก้าคนหรือว่าบางแห่งก็บอกเก้าร้อเก้าสิบเก้านะฆ่าเยอะมากทีเดียวทีแรกอาจจะฆ่าด้วยด้วยต้องการวิชาความรู้นะแต่ฆ่าไปฆ่าไปจิตก็ 8, เยีเ่ยมโหด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 แม้กระทั้งอุจจาระปัสสาวะเนี่ยคนจีนก็เอาไปทาเป็นปุ๋ยได้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นนะสิ่งที่เป็นนามธรรมก็มีประโยชน์นะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราื่อมันแย่นะเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียความล้มเหลวตกงานนะหรือว่าถูกเขาด่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองเห็นแต่ว่าไม่มีประโยชน์นะไม่อยากเจอ